เรื่องอุปกาชีวกะหรืออุปกาชีวกพระสัสดาทรงปรารบอาชีวกชื่ออุปกาในระหว่างทางเสด็จไปสู่กรุงพารณสีความพิสดารว่าสมัยเมื่อทรงตรัสรู้ใหม่ๆทรงเสวยวิมุตติสุขให้ล่วงไปที่กวงไม้โพตลอดเจ็ดสัปดาห์แล้วทรงเสด็จดำเนินสิ้นหนทาง18โยชน ใช้เวลาสิบวันมุ่งสู่กรุงพารณสีป่าอิสิปัตนะเพื่อยังพระธรรมจักให้เป็นไปได้ทอดพระเนตรเห็นอาชีวกจึ่ออุปกาในระหว่างทางอุปการชีวกทูลถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสหิวพรร์ก็บริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นครูอาจารย์ของท่านท่านชอบธรรมะของใคร พระสสดาตรัสตอบว่าเราไม่มีครูอาจารย์เราเป็นผู้ครอบงาธรรมะได้ทั้งหมดรู้ธรรมะทุกอย่างไม่ติดอยู่ในธรรมะทั้งปวงละธรรมะได้ทุกอย่างผลลัจธกตันหารู้เองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าเป็นครูอุปชาอาจารย์อธิบายคําว่าครอบงาธรรมะได้ คือครอบงามการเกิดได้ทั้งภูมิสามอันได้แก่กรรมภูมิรูปภูมิอรูปภูมิอันตันหาฉาบทาไม่ได้ในทั้งสามภูมินั้นผู้ละธรรมะได้ทุกอย่างคือละธรรมะอันทาให้ไปเกิดในภูมิทั้งสามละได้ทั้งธรรมดำธรรมขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม พ้นแล้วจากตันหาคือรู้ธรรมะอันเป็นทางสิ้นไปแห่งตันหาด้วยวีมุตหลุดพ้นของอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปในการจบเทศนาอุปกาชีวกไม่ยินดีและไม่คัดค้านแต่เขาสั่นศีรษะลบลิ้นยึดเอาทางเดินไปคนเดียวได้ไปยังที่อยู่ของนายพรานเนื้อแห่งหนึ่ง ต่อมาได้ลูกสาวนายพรานเป็นภริยามีลูกแล้วมีทุกภายหลังจึงนึกถึงเพื่อนชื่ออนันตชินะจึงออกตามหาได้พบพระผู้มีพระภาตแล้วจึงบรรลุธรรมในที่สุดสัตว์โลกต่างก็มีกรรมเป็นของเฉพาะตัว